และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเอาตัวรอดเมื่อของเก่าหมดไปจะต่างกันมากเราจึงควรลงลึกทั้งเหตุเก่าและเหตุใหม่ไม่ใช่เน้นแค่คำถาม ท, าที่ว่าชาติก่อนเคยทำบุญอะไรมาจึงรวยพุทธพท์เรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขัน ไปที่บ่อน้ำคลมหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเศษอาหารในภาชนะก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วข้อความจากชัพปสูตรหนให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า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 เป็นผู้เว้นขาดจากการโกหกและเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาเมื่อเว้นขาดโดยประการทั้งห้านี้ย่อมได้ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้ข้อความจากปุญญาพิสันทสูตรใครมีศีล ร, รักษาศีลได้บริบูรณ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 ข้อความจากวินิชชสูตรสำหรับชาวบ้านที่ยังบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดบุตรใช้เครื่องหอมและยังยินดีในเงินทองอยู่ทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันคือขยันทำงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์ที่ได้มาให้ดี รู้จักเลือกคบคนมีธรรมะและใช้ชีวิตให้เหมาะกับระดับทรัพย์สินที่มีข้อความจากที่ขาชานุสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เรามาตกลงกันว่ารวยในที่นี้หมายถึงมีมากกว่าซื้อหาข้าวของได้พิเศษกว่าและระดับชีวิตถูกยกขึ้นเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป เช่นอยู่ในบ้านเรือนโอถงมีรถงามสงา่าชนิดที่ไม่ใช่ใครๆอยากซื้อก็ซื้อได้หากถามว่าทำกรรมอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษคำตอบตรงตัวคือทำกรรมด้วยอาการเผื่อแผ่มีใจที่กว้างเป็นไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษและบ่อยครั้งกว่าคนทั่วไป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 ปัจจุบันมีการประโคมกันว่าพระพุทธเจ้าให้คาถามหาเศรษฐีอุอากะสศซึ่งหมายถึงขยันหาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์คบมิตรดีและใช้ชีวิตให้เหมาะกับฐานะความจริงก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงรับประกันว่าทำตามสี่ข้อนี้แล้วจะได้ร่ำรวย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 แต่ครบมิตชั่วที่ชักชวนผลาญเงินในทางไม่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ไม่ก่อให้เกิดบุญญาบารมีและสติปัญญาไม่นานก็จะตกอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเงินมากยิ่งประมาทมากนึกว่าจ่ายได้ก็จ่ายเลยลหลายๆครั้งเข้าก็กลายเป็นยอดรวมที่จ่ายไม่ได้ขึ้นมากรณีศึกษาทานองเนี้ย เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ่ายทอดความเกตลาบให้แก่กันไม่ได้ต้องเจอเองจึงสํานึกและบทจะสํานึกจริงจังขึ้นมาสําหรับบางคนก็สายเกินกว่าจะกู้เอาฐานะรวยล้นฟ้ากลับคืนเส้นแล้วได้แต่เอาสภาพรวยนี่ระดับโลกไปแทนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านอกจากขยันและหมั่นเก็บ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 ไม่ใช่เพื่อให้ความหวังลมๆแ้งๆ แ, และความจริงที่พุทธศาสนาบอกเราก็คือถ้าอยากเห็นผลของทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไปชาตินี้คุณจะต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่ไปจนตายไม่ใช่ให้ทานเหมือนลงทุนเก่งกำไรหนสองหนปีนี้บริจาค300ปีหน้าหวังดอกเบี้ยงอกเป็นสามล้าน การให้ทานที่หวังผลได้ในปัจจุบันคือยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดว่าชาตินี้รวยน้าใจขึ้นเท่านั้นและถ้าน้ำใจมากน้าหนักความสุขก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดเป็นส่วนกันน้ำใจอาจพัดเงินให้ไหลามาเทมาได้แต่อย่าคาดหวังว่าจะรวยขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเป็นร้อยเท่า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 ที่ตรงนี้เราควรมาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสแนะวิธีทําทานให้ได้ผลใหญ่ไว้อย่างไรแต่และข้อต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าล้วนส่งเสริมให้ได้ใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองทั้งสิ้นหนึ่งให้ทานด้วยความศรัทธาคือรู้สึกดีที่ให้เพราะอยากให้และให้สำเร็จ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 ก็มีผลคูณได้เป็นร้อยเท่าสมมุติให้เข้าใจง่ายคือถ้าสัตว์ในบ่อกำลังหิวแล้วได้กินเศษอาหารติดน้ำที่เราศาสตร์ไปในที่ที่บุญนี้ลผลเผลเรากำลังหิวอยู่ก็อาจมีคนนำอาหารอย่างดีมาวางให้ตรงหน้าด้วยความสงสารนั่นนับเป็นร้อยเท่าของเหตุที่เราเคยทำแล้ว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 แม้มีเหตุยั่วยุให้อยากเอาของเขามาเป็นของเราก็ละเว้นได้ทั้งรั์เล็กและรั์ใหญ่ใจจึงตั้งอยู่ในความคิดยกให้เจ้าของครอบครองรั์ของเขาไปตามเดิมจัดเป็นชนวนความคิดให้ทานประการหนึ่ง 3. เมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแม้มีเหตุยั่วยุให้เกิดราคะแรงกล้า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 และการเสพจนเมาหัวราน้ำความเสียหายทั้งหมดของคนอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากความขี้เมาของคุณคุณแลกซื้อแล้วด้วยการยอมอดสนุกเสียเองแยกแยะตามหลักของพระพุทธเจ้าเช่นนี้คุณคงเห็นแล้วว่าศีลก็เป็นฐานเหมือนกันและไม่ใช่ฐานธรรมดาต้องเรียกว่า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 เป็นตัวดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองกับทั้งทำตัวเหมือนแผ่นดินอันมั่นคงเป็นที่ตั้งรองรับสมบัติไม่ให้โยกคลอนหรือกระจายหายไปไหนเมื่อทำมาหาทานอยู่ทั้งชีวิตใจย่อมรู้สึกอยู่ว่าเมื่อชาตินี้รวยศีลแล้วจะแปลกอะไรถ้าชาติหน้าจะรวยทรัพย์อย่างมั่นคงต่อไป